เรื่องเล่าผีหลอนตอนปู่โสมเฝ้าซับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสมัยเด็กผมอยู่บ้านเจดีหักจังหวัดปราจีนบุรีถ้าลงเรือหางยาวจากตัวเมืองมาก็าต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเพราะยังไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนทุกวันนี้บ้านริมน้ำ มีท่าน้ำสำหรับจอดเรือและอาบน้ำอยู่หน้าบ้านริมตลิงมีต้นสนุนเรียงกันเป็นแถวผมชอบมองตอนมันพลิกใบกระทบแสงแดดเป็นมันวับพ่อแม่บอกว่ารากสนุนช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายลงน้ำง่ายๆคล้ายกับหญ้าแฝกนั่นแหละครับหลังบ้านผมมีบันไดลงไปทางรัว้วหนามไผ่ ประตูสังกะสีติดขอบไม้ตกคําต้องผูกโซ่คล้องกุญแจไว้สาเหตุเพราะก่อนหน้านั้นมีโจรผู้ร้ายชุกชุมจนต้องป้องกันเอาไว้ก่อนที่ดังดังก็เสือสนพลมาฉายาขุนโจรร้อยศพแต่ห่างบ้านผมไปคนละอำเภอแถวริมรัว้วค่อนข้างร่มครึมเพราะนอกจากต้นมะม่วงใหญ่ๆทั้งอกร่อง สามฤ ด, ดูและมะม่วงแก้วหลายต้นก็ยังมีทั้งกล้วยมะละกอข่าตะไคร้มะครูดมะพร้าวอีกสามต้นสูงลิบออกจากรั้วไปก็คือทุ่งนาเวงวางสุดลูกหูลูกตาที่น่ากลัวสุดๆก็คือวัดเจดีหักความจริงมันไม่มีวัดเหลือแล้วแม้แต่ซากก็ยังไม่มี นอกจากเจดีย์ยอดด้วนเอียงกระเทเรอองเดียวชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์หักได้ยินเขาร่าลือกันมานานแล้วว่าใต้เจดีย์นั้นมีสมบัติโบราณฝังไว้สมัยกรุงแตกบางคนก็ว่ามีมาก่อนนั้นด้วยซ้ำเจ้าของเขาฝังไว้กับศพทาตกกำชับให้เฝ้าสมบัติจนกว่าเจ้าของจะกลับมาเอา แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้มาหรอกครับสงสัยว่าคงจะตายไปเสียตั้งนมนานแล้วต่อมาเกิดโรคระบาดหนักผู้คนล้มตายกันมากแม้พระเนนก็เช่นกันต้องอพยพหลบภัยไปอยู่ที่อื่นกันหมดวัดนั้นก็เลยกลายเป็นวัดร้างมาเกือบร้อยปีตาสอนขี้เมาชอบแวะมาคุยที่บ้านบ่อยๆ อ่างว่าติดใจฝีมือน้ำปลาหวานของแม่จะจิ้มด้วยมะม่วงหรือกระท้อนก็อร่อยทั้งนั้นแต่ผมว่าแกติดใจเหล้าที่พ่อยกมาให้กินมากกว่าตาสอนนี่แหละที่เล่าเรื่องผีดุที่วัดเจดีหักให้ฟังบอกตามตรงว่าผมไม่เคยย่างกรายไปที่นั่นมาก่อนเลยเพราะความกลัวผีตามประสาเด็ก ขนาดนั่งเรือผ่านตอนเย็นๆมองเห็นเจดีหักสีทึมๆก็รู้สึกเสียวสลังพิลึกแกเล่าว่าเมื่อก่อนเคยมีคนดอดไปขุดกรุใต้เจดีเพื่อหาสมบัติขนาดไปกันสามคนยังเจอผีหลอกจนวิ่งหนีไม่คิดชีวิตไปตามๆกันพวกนั้นเล่าว่าขณะที่กําลังขุดหาสมบัติกันเยงๆ ก็เกิดลมพัดอู้ขึ้นมาทั้งที่ท้องฟ้ายางขาวกระจ่างเห็นดาวระยิบระยับพ่อขุดต่อก็ได้ยินเสียงหัวเราะแหบโหยดังขึ้นใกล้ๆตอนแรกนึกว่าจะเป็นเสียงลมพัดแรงก็เลยไม่สนใจที่ไหนได้เสียงหัวเราะนั้นดังมากขึ้นทุกทีเหมือนมีใครโผล่เข้ามาอยู่แกล้ๆ คราวนี้ก็หันขวับไปมองพร้อมกันเสียงหัวเราะดังมาจากเหนือหัวเงยหน้าขึ้นไปก็มองเห็นภาพหน้าขนหัวลุกปรากฏขึ้นบนเจดีหักนั่นเองนั่นคือร่างดำทมึนยืนจังก้าก้มลงมองด้วยในตาแดงจ้าอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญในมือถือดาบเล่มใหญ่ขาวับพลางเงื้อขึ้นช้า แต่นักขุดครุทั้งสามร้องจ้าจอบเสียมหลุดจากมือผงะหน้าในตาเหลือกลานด้วยความกลัวสุดขีดหันหลังกลับแผดร้องวกโวยเพ่นกระเจิงไปคนละทิศละทางรุง่งคืนก็จับไข้เพ้อคลั่งอยู่หลายวันกว่าจะทุเลาโอ้ยกลัวแล้วไม่เอาแล้วปู่สมยาค่าฉันเลยเสียงเพอ้อโอดโอยครวญคราง บางทีก็ลืมตาโพลงจ้องมองยังหวาดกลัวเล่นเอาญาติมิรที่เฝ้าไข้พลอยทำหน้าเลิกหลักมองซ้ายมองขวาขนลุกขนพองด้วยความกลัวตาสอนยังเล่าอีกว่าต่อมามีผัวเมียชาราชื่อตาแชมกับยายจาดเที่ยวบอกใครใครว่ามีปุษสมมาเข้าฝันให้ไปขุดสมบัติคนอื่นๆสายหน้ายอมกลัว แต่สองผัวเมียก็บุกบันไปเจดีหักตอนกลางคืนคิดว่าจะได้พบคุมทรัพย์ปูโสมเข้าจริงๆแต่ก็ลงเอยด้วยการซมซานกลับบ้านแต่แชม่มนอนเจ็บอยู่สองสามวันก็สิ้นใจตายส่วนยายจาดเด็กลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ชี้ไม้ชี้มือไปที่นั่นที่นี่ร้องว่านั่นไง ท้องคำทั้งนั้นเลยแล้วก็ร้องไห้โฮเสียงเยือกเย็นเข้าไปถึงหัวใจของทุกคนที่ได้ยินเมื่อตาสอนกลับไปแล้วพ่อก็บอกว่าอย่าไปเชื่อถือเป็นจริงเป็นจังนักเลยพ่อเองก็เคยฟังมาตั้งแต่เด็กๆป่านนี้ไม่มีผีสางเหลืออยู่แล้วผมก็เชื่อครับแต่ตอนกลางคืนมองผ่านหน้าต่างไปที่เจดีหัก ทำไมผมเห็นมียอดแหลมๆก็ไม่รู้เหมือนมีใครนั่งยองๆแล้วชูดาบขึ้นเหนือหัวเล่นเอาผมต้องเพ่นเข้ามุ้งทันทีเดี๋ยวนี้ความเจเริญรุกล้ำเข้ามาไม่เหลือซากเจดีหักให้เห็นกันอีกต่อไปแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผี